แล้วมัทส ก, การ์หลวงตาครับที่หลวงตาบอกว่าให้มันรู้ออกมาจากใจเนี่ยผมไม่ทราบว่ามันต้องปฏิบัติยังไงมนถึงรู้ออกมาจากใจได้ครับโยมสังเกตไหมเวลาโยมคิดพูดก็ทำอะไรไม่ว่าจะแอบคิดอะไรในที่ลับหรือที่แจ้งเนี่ยไม่ไม่หลอดพ้นจากใจที่รู้เลยอ่ะสังเกตไหม ม่ว่าจะไปแอ บ, บคิดอะไรกับใครแม้แต่โยมนั่งอยู่ที่นี่ไหมสมมุติเลยนะนี่สมมุติเลยนะครับเอานั่งอยู่เนี่ยพอดีเขาพาเขาพาโยมเป็นผู้ชายไหมเขาพาแฟนเข้ามาเนี่ยโอ้แฟนเขาสวยบาดใจเรามากเลยเราก็แอ บ, บคิดอกุศลกับเขาเลยโยมรู้ไหมว่าใจของโยมรู้ไหมว่าเนี่ยตัวเราเนี่ยแอบบคิดอกุศลกับเขา ดู้ไหมรู้ครับรู้ครับนี่แน่นี่แหละตรงนี้สําคัญมากไอตัวเราที่แอบคิดอกุศลกับเขาตัวเนี้ยเป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวสังขารคือเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเกิดจากการผสมพันมาของพ่อกับแม่แล้วก็กินซากพืชซากสัตว์กินน้ํากินกินลมกินไฟเพิ่มเติมเข้าไปเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งแล้วก็ค่อยเสือเส่อมไปเสื่อมไปไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายผุพังสลายไปหมด แต่ใจที่รู้ว่าเราเนี่ยแอบคิดอะไรกับใครในทางกุศลใจนั้นเนี่ยไม่เคยแตกไม่เคยดับไม่เคยถูกทำลายได้เพียงแต่พอเรายังเป็นเอาวิชาคืออย่างโง่ไปยึดเอาไว้ตัวร่างกายประสมเสร็จเป็นตัวเราเนี่ยใจนั้นก็ต้องเปลี่ยนถ่ายร่างไปอยู่ในร่างใหม่เรื่อยไปไปเป็นสัตว์เลชานประเภทต่างๆในโลกนี้ไปเป็นเปเป็นสุรกายไปเป็นสัตว์นรก จะเป็นเทพเวดาและเป็นมนุษย์รูปร่างต่างๆกันไม่ว่าจะเกิดเป็นร่างอะไรในชาติใดก็จะต้องไปเกิดเป็นมีความคิดอย่างใหม่ในร่างนั้นเช่นสมมติว่าเราเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทใดเราเป็นตัวผู้ต่อไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวผู้เราก็จะคิดอย่างสัตว์เดรัจฉานตัวผู้เราก็จะมองเห็นว่าโอ้สัตว์เดรัจฉานประเภทเดียวกับเราเนะ่ยซึ่งเป็นตัวเมียเนี่ยสวยมากเลย แล้วเราก็อยากจะไปผปสมพันธุ์กับเขาแล้ว umm เราก็ไปจับคู่ผสมพันธุ์ออกลูกออกหลานมาเราก็ว่าเนี่ยตัวเรามีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ <st> เช่นว่าเราเนี่ยตอนเป็นคนเนี่ยเราเกลียดงูมากเลยเพราะว่างูมันน่าขยะขยงแต่พอเราไปเกิดเป็นงูงูเนี่ยมันน่าเกลียดมากแต่พอเราไปเกิดเป็นงูเราก็คิดอย่างงูว่าตัวเราเนี่ยคืองูตัวเราคืองูที่มีเวลางูเนี่ย คิดนึกตึกตอนพุ่งแต่งอะไรแล้วก็พูดกับงูด้วยกันกระทาอะไรกับงูด้วยกันเนี่ยกระทาอะไรอย่างงูทําเนี่ยมันก็คิดว่าเนี่ยไอ้ตัวงูที่มันคิดมันพูดมันก็ทําได้นี่คือตัวเราตัวเราตัวเราก็ยังคิดอย่างงูแล้วก็เราเกิดไปเป็นงูตัวผู้แล้วก็คิดอย่างงูอยากเห็นว่างูตัวเมียเนี่ยสวยมากเลยเราก็อยากไปประสมพันธุ์กับงูตัวเมียแล้วก็ไปจับคู่ะสมพันธุ์ออกลูกออกหลานมาแล้วเราก็ยึดเอาว่าเนี่ยลูกลูกงูที่ออกมาเนี่ยคือลูกเรา พอเราไปเกิดเป็นงูตัวเมียตอนเราเป็นผู้หญิงอยู่เนี่ยเราเห็นงูแล้วเราขยะขยงมากเลยตอนเราไปเกิดเป็นงูตัวเมียเนี่ยเรากลับยึดเอาไว้งูตัวเมียเนี่ยคือตัวเราแล้วเราก็คิดอย่างงูคิดใหม่ว่างูตัวผู้หล่อมากเลยอยากไปผสมพันธุ์กับเขาแล้วก็ไปเลื้อยไปผสมพันธุน์การออกลูกออกหลานมาแล้วก็ลูกออกว่าเป็นงูก็เนี่ยลูกเราลูกของเราเวลาลูก ตายไปเป็นอะไรตายไปก็เสียใจเหมือนกันเวลาได้ผสมพันธุ์กันก็ดูดดื่มไปเรื่อยก็ผสมพันธุ์กันไปเรื่อยตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้เนี่ยการที่เราเนี่ยไอ้ตัวที่มันคิดได้พูดได้กระทำอะไรได้คิดอย่างคนคิดอย่างคนคิดอย่างงูคิดอย่างสรรัตว์ใดๆฉานคิดอย่างเปรตสุรกายไอ้ตัวที่คิดได้พูดได้กระทำอะไรได้เนี่ยมันเป็นตัวผสมปรุงแต่ง มาจากการผสมพันธ์ของพ่อกับแม่แล้วก็กินซากพืชซ า, า, ากสา ก, กินน้ํากินลมกินไฟไปแล้วก็แก่กินธาตุไฟเข้าขอับร้อนน่ะแล้วก็แก่เสื่อมไปค่อยค่อยผุพังสลายตายเน่าเปื่อยผุพังสลายไปแต่ใจอ่ะที่มรู้เราตลอดเลยว่าไม่ว่าเราจะแอบคิดแอบพูดแอบกระทาอะไรในที่ลับที่แจ้งเมื่อกี้อย่างเช่นสมมุติว่าเห็น เขาพาแฟนเข้ามาสวยบาดใจเรามากเลยผู้หญิงก็เห็นก็พาแฟนผู้ชายมาหล่อบาดใจมากเลยก็แอบคิดอะไรทั้งอกุศลกับเขาอยากได้เขามาเป็นของเราแต่รอดพ้นจากใจเราได้เมนะื่อไหร่ล่ะใจเราก็รู้ตลอดเวลาว่าเนี่เราแอบคิดอะไรกับเขาไอ้ใจที่รู้เนี่ยมันไม่เคยแตกไม่เคยดับไม่เคยทําลาย ไม่มีอาวุธใดๆในโลกมาฆ่าใจให้แตกดับให้ทำลายได้แม้แต่นิพพานก็ฆ่าใจไม่ได้นิพพานฆ่าได้เฉพาะความทุกข์อาฆ่าได้เฉพาะอาวิชาที่ไปหลงยึดให้เป็นกิเลสและความทุกข์แต่ฆ่าใจที่สิ้นยึดไม่ได้ฆ่าใจที่สิ้นยึดไม่ได้ใจเนี่ยได้แต่รู้ตลอดเวลาเลยไม่ว่าเราจะไปแอบคิดแอบพูดแอบกระทาอะไรในที่รับที่แจ้งไม่รอดพ้นจากใจไปได้เลย เราแน่ๆคือใจแท้ๆที่ไม่อาจคิดได้ไม่อาจตึกตองพงแต่งได้ไม่อาจกระเพิ่มได้ไม่อาจไหวตัวได้ไม่อาจสุขหรือทุกข์หรือมีกิริยาการใดๆได้ไม่อาจปรากฏอะไรได้เลยไม่มีการเกิดไม่มีการดับได้แต่รู้อย่างเดียวแต่คันจะหาว่าใจเนี่ยอยู่ที่ไหนกับหาไม่เจอแต่รู้ว่ามันมีอยู่แต่หามันไม่เจอแต่รู้ว่ามันคงอยู่ในตัวเรานี่แน่มาเลยรู้เรื่องของเราตลอดเลย ไม่ว่าเราจะไปแอบคิดแอบพูดแอบกระทาอะไรในทางดีทําชั่วทําบุญทําบาปคนสละคนส่ น, สนในที่รับที่แจ้งไม่หลอดพ้นจากเราได้เลยคือใจไม่หลอดพ้นจากใจที่รู้ได้เลยใจที่รู้แท้ๆนะั่นแหละคือเราที่มาเกิดหรือเรียกว่าวิญญาณแท้ๆหรือจิตแท้ๆหรือใจแท้ๆที่มาเกิดนั่นแหละที่มันสะิ้นเอาวิชาแล้วดับความโง่แล้วนั่นแหละนะนะ มันก็จะรู้ตัวเราตามความเป็นจริงว่าตัวเราเนี่ยที่มันคิดพูดกระทาได้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราตัวนี้เป็นตัวสมมุติเป็นตัวผสมปรุงแต่งหรือเป็นตัวมายาเกิดขึ้นแล้วก็กค่อยๆเสื่อมไปเสื่อมไปไปสู่ความจากธาลกก็เป็นวัยเด็กวัยเด็กก็เป็นวัยหนุ่มสาวหนุ่มสาวก็เป็ น, ว, นวันแก่เท่าวันแก่เท่าก็เป็นวัยชราชราก็ที่สุดก็ตายแตกดับหน้าเปลือยผุพังสลายไปสิน้นแต่ใจนั้นไม่เคยแตกดับไม่เคยทําลายเลยก็ต้องถ่ายล่างไปเรื่อยไป อยู่ที่มันหายโง่อย่างหายเอาวิชาอย่างอวิชาคือความหลงยึดถือร่างกายตัวใหม่ที่เกิดใหม่ในแต่ละชาติว่าเป็นตัวเราไม่มีใครมาสอนเราหรือสอนเราแล้วเราก็ไม่เข้าใจสักทีว่าเราไม่ใช่ตัวที่ถูกรู้ตัวเราที่ถูกรู้ที่มันสามารถคิดนึกคิดตอนปรุงแต่งได้พูดได้กระทาอะไรได้เป็นตัวเราไม่เป็นใจที่รู้เราสักทีรู้อะไรจึงให้รู้ออกมาจากใจคือให้เป็นใจที่รู้ที่ไม่อาจคิดนึกคิดตอนปรุงแต่งได้คือเป็นให้ไปเป็นใจที่รู้ตัวเรา แต่อย่าเอาตัวเราที่คิดนัอตอมปรุงแต่งได้เป็นตัวเราให้เป็นใจหรือเป็นรู้เป็นรู้เป็น lly, รู้อะไรก็รู้ตัวเราก็สักแต่ว่ารู้พอมันส so totally ักแต่รู้ตัวเรามันพอมันก็จะไม่มีตัวเราเนี่ยไปหลงยึดอะไรทางตาอูเจมูลินกายใจให้เป็นทุกข์อีกต่อไปแล้วไม่มีใครมายึดตัวเราให้เป็นทุกข์ก็ได้แต่รู้ในรู้นั่นแน่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีผ่องใสไม่มีเศร้าหมองไม่มีกิเลสตัณหาใดใได้แต่รู้อย่างเดียวเปล่าๆใบสุดที่หลวงปู่ดูลย์โตโลว่า อ่าอย่างนี้เข้าใจไหมคิดว่าพอรู้ครับหลวงพ่อขอบคุณครับพอรู้แล้วเนี่ยบอกว่าพอรู้แล้วสามารถฝึกได้ไหมล่ะฝึกยังไงอะ่ะจะเราจะฝึกฝึกยังไงโยมจะฝึกยังไงนับแต่นี้เป็นต้นไปจะฝึกยังไงก็ฝึกฝึกรู้นะครับหลวงพ่ออืมอืมอืมฝึกรู้ยังไงตอบไม่ถูกครับ นั่นสิก็เพราะว่าโยมจะไปฝึกแล้วอยากจะถามโยมว่าโยมรู้แล้วเข้าใจแล้วโยมจะฝึกอย่างไงฝึกรู้เนี่ยรู้รู้อย่างไงที่ว่ารู้อา่าบอกหน่อยสิจะได้รู้ว่าโยมจะกลับไปฝึกเป็นหรือไม่เป็นไม่ทราบครับนี่แสดงว่าไม่รู้แล้วโยมรู้ไหมว่าโยมไม่ทราบรู้ครับแน่แน่ไอ้ที่ไม่ทราบเนี่ยคือความปุงแต่งแต่ที่รู้แล้วว่าเราไม่ทราบเนี่ย นั่นหนหะคือรู้แล้วเราต้องฝึกยังไงครับหลวงพอ่อเอาก็นี้ครพูดอยู่เมื่อกี้เนี่ยได้ที่ว่าโยมรู้ไหมว่าโยมกําลังคิดกําลังพูดว่าแล้วจะฝึกยังไงครับหลวงพอ่อไอ้ที่โยมกาลังคิดกําลังพูดว่าแล้วจะฝึกยังไงครับหลวงพ่ออันนี้แหละคือตัวปรงแต่งแต่โยมรู้ไหมว่าโยมกำลังคิดกําลังพูดว่าแล้วจะฝึกยังไงครับหลวงพ่อไอ้นั่นแหะคือรู้คือใจที่รู้ ให้เป็นรู้อย่างนั้นเลื่อยไปที่โยมหมดจะกลับไปเป็นรู้เ่ยโยมยไม่เข้าใจไม่เก็ดตอนนี้โยม ง, งงอยู่ใช่ไหมครับเออโยม ง, งงอยู่โยมรู้ไหมว่าเรากำลังงงอยู่รู้ครับเออไอ้ที่งงเนี่ยคือสังขารปรุงแต่งแต่อที่รู้ว่าเรากำลังงงอยู่นะั่นคือใจคือจิตเดิมแท้แท้ก็ให้เป็นใจหรือจิตเดิมแทแท้ก็ ให้อยู่กับรู้แต่งงนะปล่อยไปเฮ้อมันอยากจะงงก็งงแต่เราอะรู้อยู่ให้เป็นรู้อยู่แต่รู้ว่าตัวเรางงอยู่ไอ้ที่ตัวเรางงเนี่ยมันเป็นสังขารปุงแต่งไอ้นี่ต้องดับไปแต่อาที่รู้ว่าเรางงเนี่ยอพอเราพบรู้แล้วต่อไปก็จะเป็นรู้เรื่อยไปแล้วเราจะแยกมันยังไงครับอืมไม่แยกสิก็เป็นสัตวกตะวันรู้เรื่อยไปถ้าเราพยายามแยกไอ้ตัวพยายามแยกที่ไปพยายามได้มันเป็นอะไรอะเอเอมันเป็นปุ่งแต่ง ถ้าเราไปพยายามแยกมันจะเป็นตัวปรุงแต่งพอเป็นตัวเราไปพยายามแยกพยายามแยกแล้วเดี๋ยวลงตาจะถามอีกว่าแล้วเรารู้ไหมว่าเราไปแสดงอาการน่ยไปพยายามแยกรู้กับรู้กับจิตปรุงแต่งออกจากกันโยมก็จะตอบว่ารู้ว่าผมกําลังแยกไอ้รู้กับจิตปรุงแต่งออกจากกันแต่มันแยกไม่ออกสักทีแล้วรู้ไ้มว่าแยกไม่ออกก็รู้อีกแล้วผมพยายามแยกรู้ไหมก็รู้อีกก็เป็นรู้อย่างนั้นเรื่อยไปอย่าไปเป็นจิตที่มันแยกพยายามแยกแล้วอย่าไปเป็นจิตที่แยกไม่ออกดิ เดี๋ยวโยมโยังไม่เก็ตเดี๋ยวเดียวใจเย็นเย็นใจเย็ น, เ ย, นเย็นมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกอเออแต่โยมเข้าใจขึ้นแล้วเนี่ยเข้าใจขึ้นบ้างแล้วใช่ไหมคิดว่าเข้าใจนะแต่เ อ, อ, เ อ, อ, เอธิบายออกมาไม่ถูกโยมรู้ได้ยังไงว่าโยมโยมเข้าใจเข้าใจขึ้นแล้วมันมันเกิดขึ้นมาเองอะครับ อ้าวนี no اغ, ่งานนี่งานนี่งานี่งานนี่งานมันเข้าใจแล้วมันก็เกิดขึ้นมันเองว่ามันรู้ว่าเราเข้าใจแล้วไอ้แน่ๆให้เป็นรู้นั่นแน่อย่าไปเป็นตัวเราที่เข้าใจว่าไอ้ตัวเราที่เข้าใจเดี๋ยวมันก็ตายแตกดับแต่ให้เป็นรู้อะเนี่ยแน่ๆรู้กันว่าเราเข้าใจแต่รู้จะตอบได้ยังไงก็คือไม่ก็ไม่รู้จะตอบได้ยังไงเหมือนกันแต่มันรู้ก็แล้วกันให้เป็นรู้ก็แล้วกันนี่แน่ครับครับ ครับครันี่เป็นจริงก็พอเด่าเนีอครับครับนี่เป็นจริงก็พอเด้อเยอะและไอเครื้องในที่มันเกาหัวแก่แก่ก่เนี่ยมันก็ยังไม่สงสัยหน่อยหน่อยครับครับแต่ยังสงสัยหน่อยหน่อยเนี่ยรู้ไหมว่าตัวเรากําลังยังยกําลังประมวลผลอยู่กําลังประมวลผลกําลังทบทวนกําลังสงสัยหน่อยหน่อยใช่เป่าจริงไหมใช่ครับอจริงนะเนี่ยแล้วรู้ไหมว่าเราเนี่ยกําลัง ก็เด ja, ja, ja, an ี๋รบๆเก็บทบทวนประมวลผลหน่อยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวทบทวนหน่อยทบทวนหน่อยแล้วรู้ไมว่ากำลังทบทวนอยู่เว่ยเร่งทบทวนอยู่เนี่ยรู้ครับอันไหนให้เป็นรู้นั่นแะให้เป็นรู้เนี่ยแต่ให้เห็นว่าไอ้ไอ้ตัวเราที่กำลังทบทวนเน่ยเป็นตัวปรุงแต่งไอ้นี่ต้องตายเกิดดับแต่ให้เป็นรู้นั่นแหะรู้ว่าตัวเรากาลังทบทวนแต่ค้นถามว่าทําไมโยมจึงรู้ว่าโยมเนี่ยตัวโยมกำลังทบทวนความเข้าใจอยู่กําลังเร่งทบทวนเข้าใจอยู่แล้วทําไมจึงรู้ว่า อันนี้มันเป็นเป็นตัวปรุงแต่งใช่ไหมฮะที่ให้เราไอตัวที่เป็นธรรมชาติที่กําลังทบทวนเนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งแต่โยมทําไมรู้ว่าตัวเราเนี่ยกําลังปรุงแต่งทบทวนอยู่ทําไมรู้อะเวลาถามแล้วบอกว่ารู้ผมรู้ว่าผมกำลังทบทวนปรุงแต่งทำไมจึงรู้อธิบายไม่ถูกอะครับมันรู้ขึ้นมาเองอะครับอ้าวนี่อนี่อะนนี่นีี่นี่อยากจะให้โยมพูดคํานี้เนี่ยมันอธิบายไม่ถูกแต่มันรู้ขึ้นมาเองเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติ ของความรู้มันเป็นธรรมชาติที่มันรู้ขึ้นมาเองอธิบายไม่ถูกหรอกแต่มันรู้ได้โดยตัวเราเอ ง, งเนี่ยที่ทเราตายึงพผู้บอกมันรู้ด้โดยใจของเราเองมันรู้ได้ใจของเราเอ ง, ม ไ, อ ง, เเองไม่รู้จะบอกอย่างไงไม่รู้จะอธิบายอย่างไรแต่รู้ก็แล้วกันแน่ใครให้ถามอะไรอธิบายหน่อยเดี๋ย ว, ว่าหลังเรารู้แล้วใครให้ถาใครมาให้เราช่วยอธิบายหน่อยผมอธิบายไม่ได้แต่ผมรู้ก็แล้วกันเออแล้วจะพูดอย่างนี้นะ <laughs> ไม่มันอธิบายไม่ออกจริงครับไม่ไม่เข้าใจว่าจะ ต, ต้องอธิบายยังไงคนอื่นถึงเข้าใจแบบที่เราเข้าใจอะครับอ้าวนี่แน่ถึงสอนท่านยากแบบนี้แน่รู้ปฏิบัติเองง่ายกว่าครับขอบคุณครับ